เนื้อก็ไม่ค่อยปรากฏมีแต่น้ำน้ำําเยกลายไปมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไปคือมีแต่พิธีตองไปที่ไหนมีแต่พิธีาศาสนาจริงๆมองไม่ค่อยเห็นมีแต่พิธีทั้งนั้นเต็นไปหมดที่นี่พูดที่จะยึด เ, เป็นหลักเป็นเกณฑกับาศาสนาจริงๆก็เลยยึดไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นาศาสนาเพราะการแสดงออกใครก็ พู้ที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องศาสนาทั้งนั้นมีนศาสนาเลยทาให้พิธีตอง น, นี่ทำให้คนรุ่งไม่อาจจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างแค่จริงมีเป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลานี้มีมากมายกากากองและเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาส่วนที่หลักเกณฑ์จริงกะค่ากับค่อยเสื่อมค่อยหายไปโดยลาดับ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 เกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเปลือกเรื่องกับพี่นี่จะได้ถูกเสกสันเข้าไปเป็นแก่เป็นหลักเป็นความจริงของศาสน า, ศ า, ศาทั้งๆที่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเรื่องกิ น, นน้ำมีโตก ม, มากศาสน า, าแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายกายของนอกจากสิ่งที่จำเป็นทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้น ศีลอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทํารับศีลก็เสียใจหนักวางเลยอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลไม่ทราบรักษาอย่างไงกันนี่อันสํำคัญแต่วันย่างค่ํามีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอ๋ออีอู่แล้วนนี้กองทัพเทวดา ออา้อนขึ้นนะก่อนฮ <ś c oughs> ึบไม่ไหวอเสียค่อยก<อ>ารรับสีนก็มีเจตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ที้ขาดหรือการรับรองในความเป็นสีนข่งตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นครวมะทั่วทั่วไปคือสีนทั่วๆไป เพี้ยสี 5, ส 8, น, น่าสีลแปดอย่างนี้สินที่เป็นเพศอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักพระวินัยเพี้ยนสีเนีนสีพระนี่แต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไมไ่มากมายกายคลองอะไรทำพิธีก็เอาถวายทานก็ฝากันจนกระทั่งหมดกัมพีบางทีนั่งฟังจน จะเหงานอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรก็และยุ่งไปหมดไลลมาโมโลุก็ถะทนย่ า, านมาถวายทานดีไม่ดีอยากจะอวดภูมิตัวเองด้วยบ้าได้เรียนมามากเลยรู้มากาคนอื่นเขาสะจันใช่ไหมไอภูมิน้ำลายนั่นนีอ่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเมื่อแล้วได้ผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมัน ทำให้เสียเวล่ำเวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมเรื่ออะไรมันยืดเยื้อขอยจะเข้าถึงตัวจริงเนโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบทําเพื่ออะไรไปเพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานท่านถึงไม่ค่อยมีเร่พิธี ท, ที่ตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีบางท่านพอเหมาะบางทีก็ต้องอารมณ์ผ่อนผันทั้งทั้งทีก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีเพื่อ จิตใจคนถ้าเ ด, เดินไปตามนั้นอจิตใจนีการจะเป็นประโยชน์นันก็เป็นทั่วไปเสียพอฝ่อนปนัญญายาก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันให้รู้เรื่องรู้ราวอ๋อวันนี้เด็กห <c oughs> รือไม่เต้นเรื่องนี้หรือเท้นว่าไงต้องหนต้องงนเลย ความเอาจิงเอาจังเอาหลักออกเจนของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่เริ่มข้อบวชเป็นเริ่มความจริงจังขึ้นในขณะบวชแต่ก่อนเอหิปิคุประสัมปทาท่านถ้เป็นพิสุมาเถอทำลาลาทธพุกล่าวชอบแล้วจงพุทอมจันจเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกเถอดนี่ วาระแรกต่อมาคักคิ ส, สนันประสัมปทานถึงสาระสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สำเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระสี่นี้ร็ถึงวาระที่สามนี้ก็ยกให้สงฆ์เป็นใหญ่บวดให้สำเร็จในสงฆ์แล้วตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมมูลนะที่ ขุนพุทธกมลเชนาสนางังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อความทุทกข์โดยชอบเถิดทาที่ตะกอนก็สอนให้อยู่ลุกปรมูลร่มไม้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวชพอต่อมาวาระที่สามนีขึ้นเป็นกฎเกณฑ์เลยขุนพกมลเช่นาสนางังอุปชาเนี่ไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้ ต้องสอนให้ถูกต้องตามนี้อุปชาใดก็ตามแม้เจ้าของจะไม่ชอบขนาดไหนการบวชคุณลบุตรสุดท่านภายหลังก็ต้องบวชแบบนี้มีลูกอมโมเสสนาแสดงขึ้นเลยไม่นนิยมมาเป็นนิกายไหนเพราะคําว่านิกายเป็นชื่ออันหนึ่งลําใหญ่ก็คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เขาป่าเขาเขาไป พอเพืปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุและจะออกประกาศสอนอประชาชนก็ทีนี้เป็นไปตามอภิญญาสายสของท่านผู้ที่มีอํานาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื้นอย่างละเอียดมากน้อยยังไงท่านก็สั่งสอนประชาชนไปองค์ไหนที่ท่านไม่เกี่ยวข้องมัทน า, าท่านไม่มีอย่างนั้นท่านก็ไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญาโคนทัญญะจะอยู่ในอะไรสสัตทันมีช่างอุปรรมภ์ปฐมนั้น ตั้งสิบเอ็ปีถ้าย่อมได้ด้วย ด, ดินแดงคือไม่ไม่มีอะไรจะย่อมจำเป็นก็นย่อมถ้า ด, ดินแดงถึงวาระแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยองนี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระคุณน้ำมันคุณน้ำมันตณีบุตรเพิ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพระธรรมก็ถาเอกพระคุณน้ำมันตณีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระัญญาคนันย์ ถ้ากดว่าสอนองค์เดียวเท่านั้นน้องนั้นท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นน้าตันยูคือภาษาวองค์แรกเทียวที่ได้บรรลุทำโหงที่ท่านมีอำนาจวาสนาในทางในท่านก็เป็นปลายการรมเรื่องของท่านเองเช่นภาษาดิมุดพระโมกขันลาเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากมีความรู้ความฉลาดมากอย่างภาษาดิบุตรอ่าแนะนำสั่งสอนก็กว้างขวา ง, ง, งทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นที่เหมาะสมดังนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาก็เป็นผู้สมนิจจเด็กเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านโดยลๆๆๆๆําดับนำดับนี่เมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วเป็น น, น, นิสัยวาฒนารรมล้วนๆไมนมีกิเลสเข้าเจือปนท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนตนเมืองมากน้อยเพียงไรมันเป็นประกามปัตยาใจของท่านไม่มีกิเลสเข้าเกี่ยวแฝงก็ไม่ทําให้เป็นยุบบุญดอน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 เราเียกวเป็นอันเดียวกันก็ได้ไ ม, ไม่ไม่น่าจะผิดเพราะขนาดที่ทุ่มเทกําลังเพื่อการรบรากับกิเลสหรือเพื่อแก้กิเลสนั้นมันก็ต้องใช้ความอุตสาพยายามต้องรับความทุกข์มากน้อยเจ้าของต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้ฮนะิดูบางองค์ท่านเดินยนกโมลจนฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหมทั้งทั้งที่ฝ่าเท้านะั้นไม่ใช่กิเลสแต่จําเป็นก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตก ด้วยการรบกับกิเละบางองค์ก็ตาแตกเขาจะคุบาลตาแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลาสามเดือนฝึกทรมานอย่างต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่นี่ถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลบากเพราะการ ประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้ทิเละก็ต้องยอมรับกันเราจะไม่ยอมรับแต่นี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระษาวกทั้งหลายกว่าจะได้มาเป็นช น, นาของพวกเรายอมรับเรื่องความทุกข์ความลําบากในการปึกผลทรมาร์ททเละทั้งนั้นนะ่ะเพราะกิเละมันอยู่กับตัวฟันกิเละไม่ฟันเข้าไปถูกตัวด้วยกระทบกระเทือนทีเละไม่กระทบกระเทือนตัวด้วยมันไม่ได้ต้องมีการกระทบกระเทือนตัวเป็นธรรมดาที่พวกเราก็เหมือนกัน ไม่ใช่ิเลตมันอยู่ห้องนู้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้วขังจิเลตไว้ในห้องนู้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเรายืนห้องไหนจิเลดอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนจิเลดอยู่ที่ตรงนั้นการปุดทรมานเราตรงไหนจิเลดก็เป็นการปุดทรมานจิเลดตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ทั้งในการปุดผลจิเลดเช่นเดียวกันคือเราต้องได้อ ย, อยอมรับความทุกข์เช่นนั่งมากมันก็ทุกข์ เดินมากก็ทุกนอนมากก็ทุกน้อยนพิจานนะมมรณากิเลสนะสหนดทนอ่ะมันทุกข์ด้วยกันทางนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแมาจะเป็นการอดนอนผ่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทางนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสเนี่ยทุกก็ต้องยอมรับการขาดตกบกพร่องอะไรอะไรก็ตามมันเป็นความฝืนเครืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับยอมรับเมื่อเขียนทิศอันยิ่งใหญ่มุ่งต่ออัตตธรรมเพื่อ คือแดนแหงความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้ที่เกลียดมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับารทางกัทุกตือนความทุกข์ความลําบากเพราะการแก้เกลียดด้วยไม่ได้ต้องยอมรับอทุกก็ทุกยอมทุกลําบากก็ยอมขอให้เกลียดมันค่อยหมดไปหมดไปเพราะกิเยดเป็นเครื่องก่อควภาภายในจิตใจพก บ, บ่อนทําลายก็คือเกลียดนี่แหละอย่างภายนอกอนะครัที่เราเห็นนั่นแหละ กระจายกันที่นั่นกระจายกันที่นี่เดินขบวนที่นั่นเดินกระบวนที่นี่ก็คือพวกบ่อนพวกทําลายทําลายบ้านเมืองทำลายที่นั่นทําลายที่นี่ทำลายหลายข้างหลายหนเข้าไปมันก็แหลกไปเองอันนีที่เลอะมันทําลายเรามันทํำลายอยู่มันมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบมันบ่อนทําลายเราจริงเราเราไปเข้าข้างมันเสียเนี่ยมันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลย นี่มันเป็นความลําบากนี้เพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยะออกเจีสิกขาธรรมอันใดเป็นไปเพความก่อทุกข์ความลําบากแก่ตนให้ระมัดระวังว่าเจีกสิกขาธรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางแล้วก็จะมีความภาสุกใจหรือผู้เกี่ยวข้องก็มีความภาสุใจเช่นเดียวกันเนี่ขึ้นอยู่กับผู้บายแห่งการแก้กิเลสธรรมกิเลสเราจะคิดว่ามันอยู่ที่ไหนก็คือความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยตรง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 ก็เช่นอ่าที่ว่ากรรมาฐานกรรมาฐานเมื่อสักครู่เนี้ถึงงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่นี่คุณค่าอยในความทุกข์ในการฝึกผลธรมานที่เลี่ยนทั้งหลายที่มีภัยกิจกรรมเรมันก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การถุด ก, การากิจออกจากสิ่งงอเหมองออกจากสิ่งตกตกลโสมมนี่เป็นของธรรมยาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากจะทํากันสู้นอนจมกับพิเรนไม่ได้เนมันก็เลยจําเป็นต้องนอนนอนจมนั้นนอนบ่นอย่างนั้นเพ้าความทุกข์บนให้ทุกข์แต่ว่ามีทางที่จะแยกทุกข์จากตัวได้บนกันไปจนข้างวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่วความบ่นระบายทุกข์ออกเพื่อความบ่นมันก็ไม่ถูกแต่ก็จําเป็นต้องระบายระบายทุกข์ออกด้วยอาการนั้นด้วยอาการนี้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 ความโรคความปวดความหลงกิเลสทันห้าทันหาร้อยแปดอะไรทำหน่องนี้เข้าใจว่ากิเลสมันอยู่คำเพียนเสียอ่านชื่อกิเลสได้มากเรียนได้มากๆว่าตัวรู้ตัวหลักนักป่าเสียเนี่ยมันคิดไปแล้วนั่นมันผิดกับเจตนาของคำเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อแก้กิเลสนั่นมันเป็นความสั่งสมกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหนึ่งความสำคัญว่ากิเลสมันอยู่ที่คำเพียนเสียแต่จาชื่อกิเลสได้แล้วกว่าตัวรู้ตัว เข้าใจตัวฉลาดเสียแนะทั้ทงๆ ท, ที่ไม่ได้มาแตะต้องกิเลสสักตัวเดียวควายมันหนังถลอะบัางเลยกิเลส ย, ยังเต็มหัวใจและมากยิ่งกว่าปกติที่ไม่เรียนซะอีกนี่นี่มันผิดพระผสมคของพระพุทธเจ้าเพื่อถูกตามความเป็นไปของธรรมหรือนโยบายของพระ พ, ทพุทธเจ้ากิเลสตัวใดก็ตามที่เรียนชื่อเรียนรู้ชื่อมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนั่นเป็นชื่อของมันกิเลสมันอยู่ภายในใจความโลภชื่อมันอยู่ในคัมภีร์ ตัวกิเลดอยู่ภายในใจความโกรธคัมภีไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากความรุ่มหลงคัมภีไม่ได้ลุ่มหลงชื่อชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่ลุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี่เป็นตัวหลงต่างหากแน่การแก้คึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่แก่ที่อื่นไม่ถูกเนี่ย แ, แก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบาบางลงไปลงไปทวนดูเจ้าของเสมอ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 เป็นเสีย้ยมําอยู่ภายในจิตใจอ้อได้แก่ที่เหลือทั้งหลายมันเป็นเสี้ยนเป็นหนามทั้งนั้นแหละพยายามถอดถอนออกไปโดยลำหนักชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวันทุกวันนะเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งละ ว, วันนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งลมันจะหมดไปเรื่อยๆหมดจนกระทั่งมันมีอะไรเหลือ <c ười> มันจะผ่านไปเรื่อยชีวิตทั้งขันทั้งกายผ่านไปเรื่อยๆจนจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วก็เรียกคนตายเมื่อมันไม่เหลือติดตัวแล้วเรียกว่าคนตายด้วยกันทั้งนั้น คนก่อตายตสัตก็ตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวฉะนั้นจึงต้องรีบเร่งค้นขวายก่อสร้างคุณงามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ติดแน่ขัดใจท่านจาก่อสร้างวาสนามบารมีวาสนารรมการทำเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทําเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องเครื่องพิงเรื่องส่งเสรมิมจิตใจเหมือนเด็คนมีบ้านมีเรือน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 เมื่อมนะีธรรมแล้วผมพอมีความร่มเย็นเป็นจุดภายในจิตใจแต่เพราย่างยิ่งให้สร้างก็ปัญญาขึ้นให้มาแก้ที่เหลือในปัจจุบันนั่นแหละให้มันเห็นชัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยู่ในจุดนี้แหละมันวิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายอือาเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดแต่เวทนาที่เหลืมันเกิดขึ้นด้วยทัศติไม่มีเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่ ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นเพราะความหลงอิกิเลตมันเกิดขึ้นตรงนี้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดความโกรธก็วายภารกิจในใจว่าทุกเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่กลัวทุกจะไม่หายกลัวตนจะตายบ้างเหล่านี้มีถึงแต่เรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะคำง้อเขาของตอนเองไม่รู้สึกตัวเอาจะเป็นก็เป็นสิจะตายก็ตายสิเราเรียนความรู้เรียนเพื่ออะไรความรู้ออรรก็คือความรอบสิ่งเหล่า น, นี้เองเป็นก็เป็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ทราบแต่ชั้นแล้วตายทำไมจะไม่ทราบมันอยู่ใน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 ควเจ็บเป็นหนึ่นตงต่าหาผู้รู้เจ็บเป็ น, นหนึ่งต่าหาเนี่ยตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายก็มันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ให้มันอยู่เนี่ยผู้ศรีรุ่นไม่ตายไม่มีป่าย้มมาเอาอมตะอมตะประมายถึ ง, งกิต น, นั่นเองที่ทีเลียกอยู่มันก็เป็นอมะตะของมันที่เรียกสิ้นไปแล้วก็เป็นอมตะแต่เป็นอมะตะที่ต่างกันเท่านั้นน่ะอมตะอันหนึ่นองอมตะทางวัตถะคือต้องหมุนต้องเดียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมะตะอันหนึ่งไม่เกิดต่อไปอีกและไม่ตายมีเป็นอมตะของขมือสุดหันใจ มีสองอย่างเอาเรียนให้รู้อันใดที่จะมาเกี่ยวข้องมาทาําลายจิตใจให้ทราบว่านั่นคือค่าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่หละเรียนเรียนธรรมคือเรียนเรื่องขันสําคัญที่สุดก็คือขันระหว่างขันกับจิตนี่มันกระโจกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนลุ้ทุกิริยาบทมันกระโจนกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องควากระเทือนทั้งหมดนี้เป็นหินรับปัญญาคือเป็นเครื่องปลุกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทันทันกับเหตุการณ์ รู้ร อ, อบความคิดกับมันแล้วสิ่งอันนี้ก็ไม่ซึมซาบเข้าไปภายในจิตใจไม่ต่อยากคิดเขาาา้าไปภายในใจใจก็ไม่เดือดรอ้อนไม่กวนกวายถึงว่นลาจากตาก็ตาไปอย่างสุขสโตเพราะความรู้รอบครอบแล้วแหน่มันก็เป็นอย่างนั้นเยนทําเย็นอย่างนี้อ่ะเป็นแก้กิเลสกั็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสําคัญนั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากหีบดวงเดียวแก้ให้มันทันยิ่งเวลา จนตัวของจริงนี่เวทนามามีมากมาสลายมันจะโหมตัวเข้ามาหมดนะแต่ให้คุณทราบว่าเวทนาอยากเข้าใจว่าเวทนาเป็นตนอันนี้เป็นหลักสําคัญมากเพิจารณาให้มันเห็นความจริงของเวทนามันจะทุกข์มากน้อาะเกิดอะไรให้รู้เอาจิตกําหนดหยุดนั่นั้นละ่ะให้รู้จิตนี่เป็นธรรมชาติที่รู้นะเวทนาเป็นสิ่งที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมชาติของมันเองผู้ที่รู้ให้รู้ถ้ามันเกิดมันดับ มันจะตายก็ให้รู้ว่ามันตายอะไรมันตายก็ให้รู้สิ่งที่ไม่ตายก็อยู่รู้ผู้รู้นี่ทำมันทานกันอยู่ทุกเวลาแล้วก็ไม่วิตกวิจารณ์การเป็นการตายเ็เรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าเราทราบตามหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วนราไม่มีปัญหากับเรื่องการเป็นการตายเลยถ้าที่เป็นปัญหาก็คือว่าตัวขีเลร่นั้นแหละเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นม า, าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาโผลพันกิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอ ท, ทั้งที่ยังไม่ตายก็เดือดร้อนแล้วกลัวตายเนี่ย เวลาจะตายจริงมันก็ยิ่งเดือดร้อนอีกแล้วมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรความเดือดร้อนฟังดีนี่แต่ความทุกข์ตายแล้วก็เสียทาเสียทีเพความเดือดร้อนเป็นเหตุอีแล้วนะนั้นจึงต้องแก้ความเดือดร้อนด้วยความรู้ความเข้าใจในธาตุในขันในอายุนะต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่อรื่ในกองสมุดทั้งหมดเรามาใส่กองสมุดนี้ให้สมุดนี้เป็นตัวงเราได้อย่างไงนั่นก็ต้องเป็นเรื่องของเขาของเราอยู่นั่นแหละทางท่าก็เป็นท่าขัานเป็นขันจะว่าไง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 ปฏิบัติทั่วแค่พิเ็ตแก่อย่างนี้พิเลตอยู่ภายในใจิตใจคือความขอบคุณตนเองด้วยแง่ต่างๆอันเนียกว่าพิเลตทำก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวกับสิ่อแบบนี้แล้วปล่อยวางกันไม่ตามสภาพของมันด้วยความรับผิดอบแล้วนะถึงคั้นที่จําเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงละมันเอาของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหละ ท, ะทุกกระทุกตัวเก่านั้นนหละที่เคยเป็นอยู่น้ำบัดนี้ี่ยจะไปแสดงในเวลาสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหนปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณานี่แหละรู้จริงทำ ความปีนของมันในทุกเครืขณาทั uh ้งหลายเอาเรื huh ่องความตายมัน huh ก่อ oh อัน huh อัน huh มันเกิดอย่างนี้แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวที่มันรวมผสมเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนศัพเนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนให้ลงไปแล้วก็ะชาบนั้นเนี่ยชาบมันจะทุกอย่างไม่จะต้องไปไม่ต้องไปแบ่งสรรพันส่วนกับเขาตล่อให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นของเขาเอาดินลงไปให้เต็มร้อยเปอร์เซ็ตของดินน้ำให้ลงลงไปเต็มส่วนของน้ําไฟเป็นให้เป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลม อา้าวถ้าขันอะไรมันตั้งขึ้นมันดับไปให้ตั้งขึ้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้อยู่เต็มส่วนของตนเองเมื่อไม่ฆ่าเข้ า, ขากันแล้วมันก็ไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกันไม่รบกรันต่างอันต่างจริงก็ไม่รบไม่รบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสบายเนี่ทำเรียนทำแก้สิ่งแก้อย่างนี้แต่เราจะไปล่มจมไปไหนฟังทางจิตสิเรียนเพื่อรู้เพื่อฉลาด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 นี่คือการแก้ที่เรศพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แหละนี่หลักธรรมชาติในการสอนศาสนาท่านสอนลงที่ตรงนี้ส่วนปริยาออกไปที่เป็นจริงก้านสาขานั้นเราก็ไม่ไม่ได้ปฏิเสธคือเป็นความจริงไปด้วยกันทั้งหมดแต่ขณะที่จะเอาตัวจริงประจังจริงแล้วให้ลงที่จิตนี้ไม่ลงที่อื่นคุณงามความดีทั้งหมดเราจะสร้างด้วยอะไรก็ตามด้วยการให้ทางก็ตามรับศาสิ่งก็ตามภาชนะที่จะรับคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ได้จะจิตแน่ลงที่จิตที่เหมาะไม่ไปไหน จะจำได้ไม่ได้ก็ตามการทําบุญสุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครัง้งกี่หนไม่จำเป็นจะต้องจำลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดแล้วความดีเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นหพ้นจากโลกไปพ้นวัฏจากรแห่งความดีเนี่ยยรักศาสนาส่วนใหญ่ท่านสอนตรงที่นี้ นี่ไม่เสียเวลามีเวลามีพิธีดีตองอะไรเราอย่าไปเดินจมกรมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทําให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งสมาธิก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลยนั่งสัพพ ง, งกงกันแล้วหลับก็ก็แบบนั้นนั่นแหละมันพิธีอะไรไม่รู้มันพิธีบ้าว่างเดินจงกรมก็เดินเดินไปงั้นเห็นก็เดินก็เดินสติสตังไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งกัน เรเดินน้ามานี้เราได้เดินโยกรมเท่า น, นั้นชัโมงเท่า น, นี้นาทีดีใจเลดีใจกับลมกับแรงมันไม่เรื่องอะไรหน้าหลังจะพิธีไปเทีย่ยวดินโยกรมพอเปพิธีนั่งสมาธิพอนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีหุ่นกิเกลสมันไม่ใช่จ้าพิธีนี่นะมันตัวเหยียบย่าทําลายคนโดยรตรงต้องแก้มลงที่ตรงนั้นแก้มที่ตรงนั้นแล้วังไหนมันจะเป็นความเพียร น, นั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญารักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วเอียบททั้งสี่เป็นความเพียรกันทั้งนั้นแหะ ให้มีความเพียนแบบนี้นะนี่แหละคืว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้ทิเดศแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประจําแนทางของผู้ที่จะสิ้นทิเดศจะสิ้นในแบบนี้สิ้นในลักษณะ น, นี้ไม่สิ้นแบบอื่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเห็นนี้สาวกท่านสิ้นไปด้วยอุบายิธีนี้ด้วยปฏิปทานนี้ทิเดศมีประเภทเดียวกันการดำเนินแบบเดียวกันทิเดศจะต้องหลุดลอยไปเดิมดั่ดับเช่นเดียวกันแล้วถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกัน ยิ่งขวใหเป็นที่ลงใจในการปฏิบัติของตัวเองและขอยยุติเพียงเท่านี้